สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชิตพระเยซูตอนที่สองร้อยี่สิบเจ็ดเรื่องคําอธิษฐานของพระเยซูวันที่สองครับพระเจ้าของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกข้อเก้าถึงข้อที่สิบสามนะครับโปรดฟั ง, งพระเจ้าของพระเจ้าทั้งหลายจงอธิษฐานตามอย่างนี้ว่าข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพงทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์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 เหตุว่าราชำนาจรทธเดชและไพศรลเป็นของเพื่องงสืบสืบไปเป็นนิดอารมณพี่น้องครับเมื่อวานนี้นะครับผมได้แบ่งปันไปแล้วนะครับว่าด ร, รโชยองกีนั้นท่านอธิษฐานทําอธิษฐานของพระเยซูวันละหลายฝนท่านกําลังฝึกฝนคิดฝ่ายจิตวิญญาณของตัวเองออกกําลังกายฝ่ายวิญญาณโดยการอธิษฐานตามแบบอย่างพระเยซูวันละหลายหลายรอบ ที่น้องครับในเช้าวันนี้ผมอยากจะแบ่งปันเรื่องของความสําคัญของการอธิษฐานในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หกข้อที่แปดนะครับจงอธิษฐานวิงวอนทุกอย่างจงขอโดยพระวิญ ญ, ญาณทุกเวลาทั้งนี้จงระวังตัวด้วยความเพียรทุกอย่างจงอธิษฐานเพื่อทำมิชชนทุกคนพระธรรมเอเฟซัสบทที่หกข้อที่แปดนี้ไ้พูดถึงความสําคัญมากๆเลยครับ มากๆเลยครับของการอาธิษฐานนะครับและในขณะเดียวกันครับได้พูดถึงว่าทําให้ฐานนั้นสําคัญแบบที่ชนิดที่ว่าน่าตกใจเลยทีเดียวและความสําคัญการอธิษฐานนั้นจะทําให้เกิดพลังนะครับพลังผลักกันอย่างล้นเหลือออกมาเมื่อลูกของพระเจ้านั้นมีความเข้าใจและหยุดคิดถ้าวัฒพระเจ้าตอนนี้นะครับเราก็จะต้อง ไข้ควรและเมื่อเราพบกับความจริงนี้เราอาจจะอุทานออกมา น, นะครับหรือพูดออกมาว่าฉันจะต้องเริ่มอธิษฐานแล้วล่ะฉันจะต้องเริ่มอธิษฐานแล้วล่ะฉันจะต้องทุ่มเทใช้พลังทั้งหมดเนะหัวใจที่มีอยู่เวลาที่มีอยู่ในการอธิษฐานไม่ว่าฉันจะทําอะไรอื่นๆหรือต้องรับหน้าที่อื่นๆฉันก็จะต้องอธิษฐานก่อนน้องครับฉบับ อเอนะครับพระกัมพีร์นะครับเน้นในเรื่องนี้บอกว่าให้เราอธิษฐานในพระวิญญาณตลอดเวลาคําว่าตลอดเวลานั้นหมายความว่าตลอดเวลาทั้งหมดที่ฉันมีอยู่นี่คือความสําคัญนะครับอธิษฐานให้หมดนะครับให้หมดทุกคําอธิษฐานที่มีอยู่ด้วยการอ้อนวอนจงระวังตัวอยู่เสมอจนถึงที่สุดด้วยการอุตสาหะ พลังแห่งการอุตสาหะทั้งหมดที่มีอยู่ร้องทูลวิงวอนนะครับเพื่อทํามิจฉุนทั้งหมดทุกคนพี่น้องครับในฉบับเนี้พระคัมภีร์ฉบับนี้นะครับทําให้เราเห็นว่าการอิษฐานนั้นคือต้องทุ่มเททุกอย่างทั้งหมดที่มีอยู่นั่นคือการอธิษฐานทั้งตลอดเวลานะครับทุ่มเทหมดทุกคําอธิษฐานที่เรามีอยู่หมดทั้งกําลังหมดทั้ง ความอุตสาหะทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อที่จะจัรจของพระเจ้าเพื่อทำมิจฉจนทุกคนนอครับท่านอคาทูตเปาโลนั้นท่านกระหนักถึงธรรมชาติการไม่ใส่ใจของทึ่จะเปียนในเรื่องการอธิษฐานเพราะฉะนั้นท่านจึงเขียนในพระธรรมเอเฟซัสบทที่หกข้อสิบแปดนี้ค่อนข้างจะหนักครับโดยเพ่าะ อ, อย่างยิ่งธรรมชาติที่ไม่ค่อยใส่ใจอธิษฐานกัน นะครับเราไม่ค่อย อ, อธิษฐานจนประสบความสําเร็จและบ่อยครั้งมากเลยนะครับที่กิเลจและผู้คนที่เสพนั้นลุกขึ้นมามุ่งสู่พระพรที่ยิ่งใหญ่และเข้าใจว่าการอธิษฐานนั้นจะนําไปถึงความยิ่งใหญ่ตรงนั้นแต่ก็ละเลยครับแต่ก็วางมือไว้กับเกียรคิคานและเลิกลาไปในที่สุดนะครับนี่คือความสําคัญของการอาธิษฐาน นะครับเมื่อคิสเตียนคุกเข่าลงอธิษฐานครับอย่าลืมนะครับว่างานของเราจะสำเร็จได้ด้วยการใช้หัวสมองและหัวเข่าครับด้วยการใช้หัวสมองและหัวเขานี่คือสิ่งที่สำคัญมากครับพี่น้องครับถ้าหากว่าซาตานนั้นทำลายชีวิตของเราได้แล้วก็ชีวิตของเราก็จะตกต่ำนะครับเราอาจจะเป็น คนที่โลภมากชอบความสนุกสนานหรือเราอาจจะมีชีวิตที่ครุกอยู่กับความบาปเรากำลังถูกซาตานทำลายชีวิตของเราและการรับใช้ของเราทำลายอนาคตของเราวิธีการต่อสู้เดียวก็คือจงอุทิตตัวใช้เวลาในการอธิษฐานรับเอาพระวจนะรับเอาความคิดและถ้อยคําที่มาจากพระเจ้านะครับ วีระบุรุษฝ่ายวิญญาณทุกคนครับเขาจะ ก, ก้าวเข้ามาถึงมิติของความอัจฉจริย์แห่งการอธิษฐานได้นี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายในเทศกาลเล่นนะครับในเทศกาลที่เราทั้งหลายจะอยู่ในการถือศิลอดเราต้องเรียนรู้ผมจะเข้ามาถึงเรื่องราวของคำอธิษฐานของพระเยซูครับคำอธิษฐานของพระเยซูนะครับ ในมัทธิวบทที่หกนั้นก็ต่อเนื่องนะครับตามบริบทแล้วก็ต่อเนื่องจากมัทธิวบทที่ห้ามัทธิวบทที่ห้านั้นจะเป็นคำเทศนาบนภูเขาเราเห็นนะครับว่าความแตกต่างระหว่างมาตรฐานของพระเยซูและแผ่นดินของพระเจ้านั้นกับคนยิวในสมัยนั้นนีแตกต่างเหมือนฟ้ากับดินเลยครับพวกเขาเนี่ยนะครับเชื่อว่าศาสนศาสตร์คําสอนของเขาที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนั้นจะช่วยเขาได้ พระเยซูบอกว่าศาสนศาสตร์ของพวกเขาเนี่ยครับหรือแม้กระทั่งคําสอนที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษนั้นไม่สามารถช่วยได้ครับพระเยซูบอกว่าในข้อที่ในบทที่หนะครับพระเยซูกําลังบอกกับพวกเขาว่าถ้าชนทัศนคติทางโลกวัตถุของเขานั้นไม่สามารถช่วยพวกเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันพระเยซูตําหนิการกระทําศาสนกิจเพื่อที่จะโอ้อวดคนอื่นนะครับตําหนิค่อนข้างจะแรงมากนะครับในขณะเดีดวยวกันครับ ชีวิตที่เคร่งศาสนาที่เขามาโนขึ้นมาเองครับก็ไร้ความหมายในสายพระเนตรของพระเจ้านะครับแล้วพระเยซูก็หันกลับมาเน้นหนักเรื่องของการอธิษฐานเ พ, พราะพระองค์ทรงเห็นว่าการอธิษฐานนั้นเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าประเด็ น, อ, นอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นประเด็นเรื่องของการถือศีลอด <c oughs> เราจะถือศีลอดอย่างมีความหมายไม่ได้นะครับถ้าหากปราศจากการอธิษฐานปราศจากความเข้าใจนะครับ หรือแม้กระทั่งการถวายทรัพย์นะการถวายทรัพย์ที่ถูกต้องนั้นจะต้องถวายด้วยใจกระตันยูที่เกิดจากความสัมพันธ์นส่วนตัวกับพระเจ้าเทวกรรณนะครับนี่คือที่มาที่ไปของความสําคัญว่าการอธิษฐานนั้นจะต้องเริ่มก่อนเสมอนะครับพี่น้องครับพระเจ้าของพระเจ้าอีกตอนหนึ่งครับโดยอวิรัตวิรัติบุตรแห่งความเชื่อท่านหนึ่งท่านเขียนเองเลยครับว่ามนุษย์ จะไปถึงความยิ่งใหญ่ส <ums> ูงสุดเมื่อเขาคุกเข่าลงอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้านะครับมนุษย์จะไปถึงความยิ่งใหญ่สูงสุดของความเป็นมนุษย์ได้เมื่อเขาคุกเข่าลงอยู่จำเพาะพระพักของพระเจ้าพี่น้องครับพระเยซูท้าทายนักการศาสนาในยุคนั้นกล่าวว่าการนิษฐานของพวกเขายังไม่ถึงมาตรฐานนะครับยังไม่ถึงมาตรฐานมาตรฐาน ไหนครับมาตรฐานที่พระเยซูต้องการนะครับมีการถืออดอาหารมากมายที่ทำไปเพื่อเรียกร้องให้คนอื่นคิดว่าเรานั้นเป็นซูเปอร์คริสเตียนหรือเราเป็นคนที่บริสุทธิ์กว่าคนอื่นในขณะเดียวกันครับก็มีการอธิษฐานมากมายที่เป็นการเสแสร้งโดยไม่ได้จะหนักถึงมาตรฐานแห่งการอธิษฐานตามพื้นฐานของเทพีอย่างถูกต้องนะครับพี่น้องครับ โคจรนาของพระเจ้าสอนเราเสมอนะครับในเรื่องของการอธิษฐานเราจะเห็นนะครับว่าการอธิษฐานของทั้งท่านอัครทูตเปาโลเปโตคําอธิษฐานของพระเยซูคําอธิษฐานของบรรดาผู้พยากรกษัตริย์ทั้งหลายในพระคัมภีร์เดิมนะครับอัครทูตเปาโลได้กล่าวไว้ในโรมบทที่แปดข้อยี่สิกนะครับบอกว่าเราไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานขอสิ่งใดอย่างไรแต่พระวิ ญ, ญญาณจะทรงช่วยขอแทนเรา ดีนะครับพระเจ้าจะทรงช่วยเหลือการอธิษฐานของเราครับเพราะเราไม่รู้ว่าเราจะอธิษฐานยังไงพระเยซูก็สอนเราให้อธิษฐานนะครับทุกวันี้พระเยซูอยู่ในชีวิตของเราในรูปแบบของพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็จะทรงช่วยขอแทนเราและพระวิญญาณบริสุทธิ์จะสอนให้เราอธิษฐานด้วยเช่นเดียวกันครับการอธิษฐานนั้นเป็นหนึ่งในสองประการสําคัญครับที่เป็นตัวชี้วัด นะครับระดับจิตอวิญญาณของเราเ็าเรียกว่าเป็นตัว KPI ฝ่ายวิญญาณนะครับ KPI ฝ่ายวิญญาณนั้นมีอยู่สองอย่างหลักๆนะครับก็คือหนึ่งการอธิษฐานสองการศึกษาโภจนะของพระเจ้าทั้งสองประการนี้นะครับเป็นหนทางแห่งการเข้าสนิทฝ่ายวิญญาณระหว่างพวกเราทั้งหลายทึ่งเป็นผู้เชื่อกับพระเจ้าของเราครับแป่ครับแต่พี่น้องครับให้เราดูถึง จุดที่เป็นประเด็นในเช้าวันนี้ผมอยากจะบอกว่าการศึกษาพระเจ้าของพระเจ้านั้นจะต้องมาก่อนเพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเราควรจะอธิษฐานอย่างไรจนกว่าเราจะรู้เกี่ยวกับพระเจ้ารู้เกี่ยวกับน้ำมัไทยของพระองค์และสิ่งที่พระองค์ตรัสเกี่ยวกับชีวิตและปัญหาของเราเสียก่อนโดยผ่านทางการศึกษาโพนะเของพระเจ้าแต่การศึกษาพระเจของพระเจ้านั้น ทำให้ก่อเกิดชีวิตแห่งการอธิษฐานอย่างมีความหมายและลึกซึ้งมั่นคงมีบางคนทูลขอพระเจ้าให้ประทานพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์นะครับนี่เป็นตัวอย่างครับในขณะที่พระคัมภีร์ได้บอกว่าพวกเรามีพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่แล้วเห็ไนไหมครับแสดงว่าเราขอไม่ถูกนะครับในพระธรรมโรมบทที่แปดข้อที่เก้าหรือในพราธรรมหนึ่งโครินท์บทที่สิบสองข้อสิบสามนะครับเราพบนะครับว่าจริงๆแล้วเรามีพระวิญ ญ, ญาณบริสุทธิ์อยู่ใน ชีวิตของเราหากชีวิตของเรานั้นเป็นผู้เชื่อผู้ที่บังเกิดใหม่แล้วบางคนนะครับอธิษฐานบอกว่าขอกำลังจากพระเยซูคริสต์ในขณะที่พระองคพีบอกว่าเรานั้นสามารถผจญทุกสิ่งได้โดย พ, พระศิษย์ผู้ทรงเสริมกำลังเราทั้งหลายเห็นไหมครับบางคนอธิษฐานว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าขอทรงสถิตกับเราหนะารู้ไม่ว่าพระเยซู ตรัสแล้วนะครับว่ามัทธิวที่ยี่สิแปดข้อยี่สบอกว่านี่แหละเราจะอยู่กับเจ้าเสมอไปเห็นไหมครับบางคนอธิษฐานทูลขอเพื่อจะรักคนอื่นแต่ในขณะที่พระคัมภีบอกว่าความรักของพระเจ้าหลั่งเข้าสู่จิตใจของเราเี็นไหมครับเราไม่ยังเป็นต้องขอบางสิ่งบางอย่างถ้าเพราะเรามีอยู่แล้วแต่เราต้องขอให้พระเจ้านะครับโคงขึ้นมาจากจิตของเราและปล่อย ออกจากชีวิตของเราเป็นท่อพระพรเป็นทานแห่งพระพรต่างหาเดี๋ยวนะครับก่อนจะจบในเช้าวันนี้ผมอยากจะยกตัวอย่างคําอธิษฐานของพระเยซูนะครับที่มีผู้รับใช้ท่านหนึ่งอธิษฐานทุกวันทุกวันทุกวันวันละหลายรอบนะครับเขาจะเริ่มต้นอธิษฐานตอนก่อนลุกจากเตียงนอนนะครับก่อนลุกจากเตียงนอนใช้อธิษฐานา น, านี้นะครับข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพองหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์ เป็นที่เคารพสักการะในหน้าที่การงานของข้าพรงวันนี้เช่นเดียวกันกับที่พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพศักระในสวรรค์ขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอพระองค์ทรงปกครองในชีวิตของข้าพรงเช่นเดียวกับที่พระองค์ทรงปกครองในสวรรค์ขอให้เป็นไปตามพระไทรปของพระองค์ในการเรียนในการศึกษาเพราะชนะในการสอนในการให้คาปรึกษาของ ข้าพระอง์ซึ่งเป็นผู้รับใช้ของพระองค์เช่นเดียวกันกับที่น้ำมทไยของพระองค์สำเร็จอย่างครบถ้วนในสวรรค์ขอทรงโปรดประทานอาหารประจําวันแก่ข้าพระองทั้งหลายในกายวันนี้เพื่อกําลังฝ่ายกายของข้าพระองเพื่อความจําเป็นทุกอย่างสุขภาพของข้าพระองในวันนี้ขอทรงโปรดยกบาปผิดของข้าพระองและผลของความบาปของข้าพระองทั้งในการกระทําและความตั้งใจของข้าพระองตั้งใจและไม่ตั้งใจก็ดี เหมือนข้าพรงศ์ได้ยกโทษผู้ที่ทําผิดต่อข้าพงศ์นั้นขออย่านําข้าพงศ์เขาเ้ามาในการทดลองขออย่าทรงให้ความบากมีชัยเหนือข้าพงศ์จงประทานชัยชนะแก่ข้าพรงศ์ในวันนี้ด้วยพรงเจ้าข้าแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายขอโปรดปกป้องข้าพงศ์จากอันตรายฝ่ายกายและฝ่ายวิญญานเหตุว่าพระชธรรมนาจเป็นของพระองค์ ข้าพระองยอมรับในการควบคุมสิทธิอํานาจสูงสุดของพระองค์ในชีวิตของข้าพระองคฤทธเดชเป็นของพระองค์ข้าพระอง์ยอมรับความสามารถฤทธเดชที่พระองค์จะทรงกระทําสิ่งเหล่านี้พระสิริเป็นของพระองค์ข้าพระอง์จะถวายเกียรติแด่พระองค์และข้าพระองค์จะขอบคุณพระองค์สำหรับทุกคําตอบในพระนามของพระเยซูอาเมนพี่น้องครับพวกเรแค่พระเจ้าท่านนี้นั้นมักจะอธิษฐานตามคำอธิษฐานของพระเยซู ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีครับเราก็พร้อมที่จะเริ่มต้นวันใหม่จะใช้สิ่งนี้เป็นชีวิตของพวกเราทั้งหลายทุกคนฝึกให้เป็นนิสัยครับเราจะมีวิในขวายวิญญาณและเราจะมีความรักในพระเจ้ามีความซาบซึง้งและเข้าลึกเรื่องของการอธิษฐานในชีวิตของเราต่อไปชีวิตของเราต่อไปนี้จะไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอวยพ ร, พรอาเมน